นมัสการถามพระอาจารย์ค่ะคําว่าสังขารในยานนี้จะว่าสังขารทั้งสองเลือกสังขารเฉยๆนี้จะต้องหมายถึงรูปแล้วก็จิตที่พิจารณารูปนั้นตลอดเลยใช่ไหมคะต้องพิจารณาสองส่วนนี้เป็นอารมณ์ของของยานนี้ตลอดเลยเ อ, อ๋อทั้งสองใช่ไหมกำหนดสังขารทั้งสองโดยสภาพเป็นอันเดียวกันเนี่ยทั้งสองนั้นคืออะไรสังข์ของคืออดีตก็เหมือนกัน อนาคตก็เหมือนกันไม่ใช่สองว่าจิตกับวัตถุเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยพูดมาเยอะแล้วแต่คําว่าทั้งสองนี่หมายถึงใช่ไหมสังขารในปัจจุบันเนี่ยตำหนดสังขารทั้งสองโดยมีสภาพเป็นอันเดียวกันก็อันเดียวกันก็โดยอนิจจังทุกขังอนัตตาในยะนั้นก็ถูก น, นะที่พูดถึงว่าทั้งวัตถุทั้งจิตก็โดยอนุปัสนาจิไม่ต่างกันแม้สังขารในอดีตก็ฉะนั้นแม้อนาคตต่อไปก็ ฉะ น, นั้นนะนะก็คือสรุปว่าอนุปัสนาเจ็ดมีกำลังในอารมณ์ในการสามนะะคือถ้าถ้าถ้าตามคำสอนเหล่านี้ทำให้เห็นว่าพุทธพจน์ที่พระองค์ตรัสว่าเธอจงตักอาไรในสังขารที่เป็นอดีตเธออย่าหวังสังขารที่เป็นอนาคตปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำนัดในขันอันเป็นปัจจุบันเนี่ยนะถ้าถ้าใครที่เจริญมาอย่างนี้มากอยู่แล้วถ้าได้ฟังพุทธพจน์อย่างนี้คิดว่าได้บรรลุได้ไหมได้อยู่แล้วนะ ถ้าใครอ่านธรรมบทมาเยอะๆนะจะเข้าใจเลยว่าทําไมท่านเหล่านั้นจึงบรรลุเนี่ยนะพุทธพจน์สั้นๆทําไมเขาบรรลุเพราะว่าเขาเขาเจริญอย่างนี้จริงๆพระอาจารย์ชักสังขารทั้งสองนี่หมายถึงว่าสังขารในอดีตสังขารในอนาคตแต่สังขารในอดีตก็มีสองอีกนนอ ก, ก็คือรูปในอดีตแล้วก็จิตที่พิจารณารูปนั้นในอนาคตก็สไม่ถึงขนาดนั้นไม่่ใชเพราะว่าอดีตเนี่ยได้ทําอย่างนั้นมาไหมล่ะเนี่ยนะ อดีตที่ผ่านมาได้ได้ได้แบบมีพังคารุปัสสนาญาณอย่างนี้ไหมอนาคตจกมีพังคารุปัสสนาญาณอย่างนี้ไหมไม่ใช่มันก็ถ้าถ้ากล่าวถึงในสภาพความเป็นสังขารแล้วก็ไม่ไม่ต่างกันนะคือท่านต้องการจะบอกเราว่าสังขารทั้งการสามเนี่ยต้องเป็นอารมณ์ของอนุปัสนาเจตให้ได้อันนั้นนั่นคือวัตถุประสงค์หลักอยู่ตรงนั้น จนเห็นว่าสังขารในการสามไม่ต่างอะไรจากหยาดน้าค้างบนยอดหญ้ายามอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยนะก็ต้องเป็นยังไงเหมือนว่าเอาผ้าบางๆที่ซักเสร็จแล้วเนี่ยนะบิดเสร็จแล้วก็มาตากแดดเนี่ยอีกพักเดียวก็ก็แห้งหายไปฉันใดนะสังขารทั้งหลายในการสามก็ฉันนั้นอีกร้อยปีข้างหน้าของเรานี่จะแห้งเหือดไปตั้งนานแล้วนะ อีกร้อยปีนะี่พวกเราจะนั่งชมกันอย่างนี้ไหมไม่แล้วนะเหือดแห้งไปตั้งนานแนละ่วใบายน่ bye, มันฉ่ำหน้าตื่นเลยนะง่วงง่ว ง, อ, งอาหารก็กำลังทำกิจอาหารกิจรูปอาหารปัจจัยกำลังทำงานเต็มที่คำว่าซึ่งมีความที่นึกน้อมไปในความดับความว่า กระทำการกําหนดสังขารทั้งสองนั้นว่ามีสภาพเป็นอันเดียวกันคือสังขารอดีตอนาคตเนี่ยมีสภาพเป็นอันเดียวกันด้วยอํานาจแห่งความแตกดับอย่างนี้แล้วมีความโน้มไปในนิโรธกล่าวคือความแตกดับนั่นแหละได้แก่หนักไปในนิโรธนั้นอ่ะมีความเอ็นไปในนิโรธมีความโอนไปในนิโรธมีความเงื้อมไปในนิโรธนิโรตัวนี้เป็นชื่อของความแตกดับนะไม่ใช่นิพพาน น้อมไปที่จะเห็นแต่ความแตกดับโดยส่วนเดียวเพราะว่าอัดดีกาท่านบอกว่าไม่ใช่หมายถึงนิพพานคําว่าวยลักษณะวิปัสสนามีคําอธิบายที่ท่านกล่าวไว้ว่าการกําหนดสังขารโดยมีสภาพเป็นอันเดียวกันนี้ชื่อว่าวยลักษณะวิปัสสนาเนี่ยนะสังขารทั้งที่อะไรสังขารทั้งทั้ ง, งวัตถุทั้งอารมณ์ก็ไม่ต่างกันใช่ไหม ทั้งทั้งวัตถุทั้งจิตก็ไม่ต่างกันสังขารทั้งอดีตอนาคตก็ไม่มีความต่างกันตามเห็นแต่ความสิ้นไปเสื่อมไปดับไปแปรปรวนไปอย่างเดียวคำว่าพิจารณ า, าพิจารณาอารมณ์แล้วความว่ารู้อารมณ์มีรูปเป็นต้นก่อนแล้วด้วยคำว่าตามเห็นความแตกดับไปด้วยความว่าตามเห็นความแตกดับไปของอารมณ์นั้นแล้วก็วาวาตามเห็นความแตกดับไปแห่งจิตซึ่งมีความแตกดับนั้นเป็นอารมณ์ะนะ คำว่าความปรากฏว่าเป็นของศูนย์ศูนย์ศูนย์ความว่าเมื่อพระโยคาวจรนั้นพิจรารณาเห็นความแตกดับอยู่อย่างนี้ว่าสังขารทั้งหลายเท่านั้นย่อมแตกดับสังขารเหล่านั้นมีความแตกทําลายเป็นเป็นความตายอัตตาอะไรอะไรอื่นหามีไหมก็มีแต่สังขาร น, นี่นแหละเกิดขึ้นสังขาร น, นั่นแหละแตกอยู่แตกทําลายไปไม่มีอัตตาหรือมีสัตว์ที่ไหนไปเกิดไปแตกไปแตกทําลายอะไรใช่ไหม ความจริงก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะจะมีสัตว์บุคคลไปเกิดขึ้นแต่ตั้งอยู่ดับไปก็หาไม่ดังนี้ความปรากฏโดยความเป็นของว่างเปล่าย่อมสำเร็จด้วยประการชนีก็เห็นแต่ศูนย์เนี่ยนะก็เหมือนกันเลยนะใช้ชีวิตคบกับแต่ฟองน้ำใช่ไคบแต่ฟองน้าคบแต่หม้อเปล่านะหม้อดินเนี่ยนะหม้อดินแบบโบราณเนี่ยหม้อร้าวหม้อปริหม้อที่มัน ไม่ได้มีความมั่นคงอะไรเลยอยู่บนพื้นดินอันครุขระเนี่ยนะมีแต่ก้อนกรวดก้อนหินเนี่ยวางเผลอแพบเดียวเป็นยังไงถ้าหากว่ามองพวกเราทั้งหลายเหมือนกับหม้อหม้อดินเก่าๆเนี่ยนะที่เต็มไปด้วยอะไรนะที่ของแหลมๆคมๆข่อยทิ่มเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็แตกกันนะยิ่งสมัยนี้นะใครที่มีบริหารชีวิตอายุได้ยืนยืนเนี่ยผมมาว่าเก่งมากเลยดูที่รถมันวิ่งร้อยกว่าร้อยกว่าที่มันก็แทกเข้าอะไรจะเกิดขึ้นนะนะจะเหลือไหมเนาะ เพราะเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าขันทั้งหลายย่อมดับไปก็อัตตาอะไรอะไรอื่นหามีไม่ความแตกทาลายแห่งขันทั้งหลายท่านเรียกว่ามรณะนะะมรณะพระโยคาวจรผู้ไม่ประมาทเห็นความสิ้นไปแห่งขันเหล่านั้นเหมือนอย่างบุคคลใช้เพชรเจาะแก้วมณีโดยอุบายอันเย็บไข่เนี่ยนะเป็นการจัดอะไรนะ เป็นการเจาะเป็นการแทงเป็นการแทงเพื่อทะลุเป็นการเข้าวิจัยได้อย่างละเอียดเนี่ยนะคำว่าอธิปัญญาวิปัสสนาเป็นคำที่ท่านอธิบายไว้ว่าการพิจารณาอารมณ์ใดก็ดีการตามเห็นความแตกดับไปใดก็ดีความปรากฏโดยความเป็นของศูนย์ก็ดีนี่ชื่อว่าอธิปัญญาวิปัสสนาเห็นท่าไรเห็นโดเห็นอารมณ์เห็นความแตกเห็นความเป็นของศูนย์ถ้าเห็นได้อย่างนี้นี่แหละเรียกว่าอธิปัญญาวิปัสสนา คำว่าผู้ฉลาดในอนุปัสนาสามความว่าผู้ฉลาดในอนุปัสนาสามมีอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาและอนัตตานุปัสนาคำว่าในวิปัสนาสี่ความว่าวิปัสนาสี่มีนิพพานุปัสนาวิราคานุปัสนานิโรธานุปัสนาและปฏินิสักานุปัสนาคำว่าเพราะความเป็นผู้ฉลาดในความปรากฏสามอย่างปรากฏสามอย่างคืออะไรหนึ่งปรากฏว่าสิ้นไปว่าเสื่อมไปและว่างเปล่า คำว่าย่อมไม่หวั่นไหวในทิฏฐิทั้งหลายก็ไม่หวั่นไหวในมิจฉาทิฏฐิโดยประการต่างๆไม่หวั่นไหวในอุเฉท ท, ทิฏฐิสัสตตทิฏฐิหรือแม้กระทั่งทิฏฐิ62เป็นต้นสารพัดมิจฉาทิฏฐิก็ทําให้หวั่นไหวไม่ได้เพราะโลกของทิฏฐินะคือเนื่องจากว่าทิฏฐิเนี่ยมันเกิดขึ้นพื้นเพมาจากหวังเรื่องสังขารมันยังมีอะไรอาวบนในสังขารยึดติดในสังขารว่าสังขารมันต้องให้ให้สุขได้สีเป็นต้นเนี่ยนะก็คือเนื่องจากไปเข้าใจผิดใน ในโลกของสังขารนั้นถ้านุปัสนามีกําลังจริงๆอ่นะมิจฉาทิฏฐิแทรกอะไรไม่ได้เลยมิจฉาทิฐิไม่เข้าไปแทรกเลยพระโคยพระโยคาวจรนั้นไม่หวั่นไหวอย่างนี้มีมนุิการเป็นไปอยู่แต่ว่าสิ่งที่ยังไม่ดับนั่นเทียวก็ย่อมดับไปสิ่งที่ยังไม่แตกนั่นเทียวย่อมแตกไปนะพูดแบบคนที่เจริญมรณาอุสติก็่ากอู้เดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วนี่อีกกี่ปีเนาะเดี๋ยวก็ตายแล้ว ก็ย่อมปล่อยวางอุปาทะปล่อยวางในด้านความเกิดทิฏฐิตั้งอยู่ปวัติเป็นไปนิมิตคือเครื่องหมายเสียแล้วก็แลดูอยู่แต่ความแตกทําลายแห่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงทีเดียวเหมือนดูความแตกทําลายแห่งภาชนะเปราะๆที่เขากําลังทุบอยู่นะเคยเห็นใครทุบอะไรเล่นๆไหมทุบหม้อนะทุบหม้อหม้อเก่าๆภาชนะเก่าๆที่เขามาวางแล้วก็ตีเปราะๆไม่ให้ตีหินนะนะ ตีหม้อเก่าๆอ่ตีของกรอบๆเนี่ยนะบทอะไรดีแค่ของกรอบๆมาตำตมไหมลักษณะนั้นอนะ่ะเหมือนดูความแตกกระจายแห่งฝุ่นละอองอันละเอียดที่เขากําลังโปรยอยู่อนะันนเคยเป็นเด็กเล่นฝุ่นไหมลักษณะนั้นอนะ่ะเหมือนดูความแตกแห่งมเมล็ดงาที่เขากําลังคั่วอยู่ฉะนั้นมเมล็ดงาหรือมเมล็ดอะไรนะเข้าคั่วเขาเวลาเข้าคั่วคั่วเข้าเปลือกให้เป็นให้เป็น ขั่วข้าโพดนะเหมือนขั้วข้าวโพดนะแป๊กแป๊กแป๊กอย่างนั้นแหละพระโยคาวจโจนั้นย่อมเห็นอยู่แต่ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงย่อมแตกไปย่อมทําลายไปเหมือนอย่างบุรุษผู้มีตาดียืนอยู่ในที่ขอบสระบกกรณีหรือที่ฝังแม่น้ําเมื่อฝนเม็ดหยาบๆ บ, บ, บตกลงมาอยู่ก็พึงเห็นตอมน้ําใหญ่ๆบนพื้นน้ําที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วก็แตกไปฉับพลันทันทีฉันใดนะกรณีก็ฉั น, นั้น เป็นความจริงว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัดไม้เอาพระโยคาวจรผู้เห็นปานชนีคือผู้มีปัญญาแบบนี้ว่ามัจจุราชย่อมมองไม่เห็นบุคคลผู้เล็งเห็นโลกเหมือนอย่างบุคคลเล็งเห็นตออน้าเหมือนอย่างบุคคลเล็งเห็นพยับแดดฉะนั้นก็หมายค่ะว่ามัจจุราชมองไม่เห็นหมาย ว, ามว่าถ้าใครเห็นสังขารโดย เห็นสังขารทุกชนิดเหมือนตอมน้ําเหมือนพยับแดดเนี่ยนะเลิกตายแน่นอนถ้าเห็นได้อย่างนี้เนี่ยจะไม่มีคําว่ า, าตายอีกต่อไปเพราะอะไรเพราะพ้นจากความเกิดนะพอเลิกเกิดก็เลิกตายอ่ะนะเอาแล้วถามว่าถ้าใครเห็นวิปัสจริญวิปัสนาอย่างนี้จะไม่ตายใช<ๆ>่ไหมไม่ได้หรอกเพราะว่าอันนี้ตัวเนี้ยมันเป็นเกิดมาแล้วยังไงก็ต้องตายเพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี <ij> <an Kelvin> <sein> แต่ถ้าเจริญวิปัสสนาจนเห็นพระนิพพานก็จะเลิกเกิดเมื่อเลิกเกิดมัจจุราชจะมองเห็นไหมคะนี้ไม่เห็นเนีย่ยนะเสียใจยแย่เลยนะอยากเกิดแต่ไม่ตายอกจะทํำยังไงนี่คือโจทย์สมัยใหม่เข้ามาใช่ไหมก็เลยเสนอทางเลือกเอาทําอย่างนี้สิจะได้ไปอยู่ในที่ที่เกิดแล้วไม่ตายที่ไหนเน no. าะนี่นะก็มีในความฝันอนะนะฝันว่าที่แห่งนั้นจะมีสักแห่งหนึ่งชี้ไปที่อากาศแล้วมันดีที่สุดมีใครมองถึง นะแล้วมีจริงไหมล่ะไม่จริงเห็ น, นะนพระอาจารย์ลองยกตัวอย่างชัดๆให้ดูสิสักสทีนะครับเจ็ดข้อ1 0 7 4เจ็ดสี่สิบแปดเนี่ยมันเห็นยังไงครับคือเห็นอุปาทานขันนี่นะฮะจะยกตัวอย่างเป็นเป็นนามก็ได้ครับเช่นนามขันเนี่ยครับรโยคาวาจอนนั้นไม่หวั่นไหวอย่างนี้มีมณสิการตึกไปเนี่ยอยู่แต่ว่าสิ่งที่ยังไม่ดับนั่นเที่ยก็ดับไป สมมติว่าสิ่งที่ยังไม่ดับนั่นเทียวก็ดับไปเนี่ยท่านลงยกเวทนาขันดูสัสกอย่างนึงสิครับว่าสิ่งที่ยังไม่แตกนั่นเทียวย่อมแตกไปดังนี้ย่อมปล่อยวางอุปาทาทิติปวัตติและนิมิตเสียคําว่าอุปาทาทิติปวัตตินิมิตเนี่ยหมายความว่าอุปาทาของของเวทนานั้นใช่ไหมครับอุปาธา ท, ทิติปวัตตินิมิตเสียแล้วแลดูเวทนานั้นใช่ไหมครับอยู่แต่ความแตกทํำลาย อันนี้เป็นยังไงกันครับเห็นเห็นจริงๆตรงนี้หรือว่าเวทนาขณะที่เกิดปัจจุบันขณะนี้หรือว่าการไหนครับก็มันเป็นไงคนที่ที่จะพิจารณาได้อย่างที่ว่านะทั้งโดยวัตถุโดยวิญญาณโดยทวารโดยอารมณ์นี่แม่นยำมากอยู่แล้วจนไม่มีความสงสัยเลยเนี่ยนะจนอจนมองเห็นว่าอย่างที่ที่ที่เปรียบเทียบเหมือนกับตอมน้ําเนี่ย ถ้าฝนตกลงมาเนี่ยมันจะต้องมีเม็ดฝนมีพื้นน้าต่อมน้ําจึงเกิดขึ้นนี่ก็ใส่ใจแต่ความแตกไปของต่อมน้ําซึ่งรู้ระบบการเกิดขึ้นของต่อมน้ําเป็นอย่างดีชั้นใดก็ดีผู้ที่พิจารณาเห็นเวทนาก็ลักษณะนั้นเหมือนกันว่าเวทนาเนี่ยที่โดยเกิดขึ้นโดยอาศัยทวารโดยอาศัยศวัตถุและอารมณ์เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเวทนาเหล่านี้เนี่ยรู้อยู่แล้วว่ากปัจัยก็ไม่เที่ยงทวารวัตถุวิญญาณอารมณ์มันไม่เที่ยง เวทนาเหล่านี้จะคงทนมาจากไหนก็ตามเห็นเวทความไม่เที่ยงความเปลี่ยนไปของเวทนาเนี่ยนะเช่นความเฉยเฉยในเมื่อมีสีเป็นอารมณ์ก็เห็นว่าความเฉยนั้นก็เป็นของที่ไม่เที่ยงถ้าเลิกคิดถึงสีนั้นเมื่อไหร่เวทนานั้นก็ต้องเปลี่ยนไปถึงไม่เปลี่ยนสีสีอันนั้นก็ต้องเปลี่ยนโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วพันเรียว่ามานสิการไปวัตถุใดก็เห็นแต่ความเปลี่ยนไปของ วัตถุนั้นเห็นแต่ความไม่จีรังยั่งยืนของวัตถุนั้นแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยตีรณะปริญญาเนี่ยจะต้องมีกําลังมากนะเี่ยตีรณะปริญญาสัมมาสนายานที่ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นี่มีกําลังมากเพราะอันนี้มันถือว่าเป็นผลพวงของของตีระปริญญาก่อนหน้านี้มาเป็นอย่างดีอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นก็เป็นการปัจจุบันเลครับอะไรปัจจุบัน ก็ขันอารมณ์นะครับ ป, ปัจจุบันเนี่ยนะมันพิจารณาตัวเองได้ที่ไหนก็อย่างน้อยสุดก็ใกล้ที่สุดนะครับถ้าเป็นอย่างก็ต้องเป็นอดีตอย่างเดียวก็ก่อนหน้านี้ก็บอกไว้แล้วว่าการสามไม่ไม่ต่างกันอะไรคือสภาพของสังขารทั้งหลายเนี่ยนะมันก็การสามมันก็ไม่มีความต่างกัน ซึ่งเชื่อว่าผู้ที่พิจารณาอย่างนี้เนี่ยนะเขาเขาไม่สับสนในเรื่องการอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีใครของมามาัน ม, มานั่งนึกว่าวิ่งตามเหยียบให้ทันเงาตัวเองเลยนะสมมติถ้าดวงอาทิตย์กําลังจะตกดินใช่ไหมวิ่งไปที่ตะวันออกเพื่อจะเหยียบเงาตัวเองเนี่ยถามว่าวิ่งทันไหมการพิจารณาเน้นไปที่ปัจจุบันก็ฉันนั้นเหมือนกัน ลงโอ้หนี่ปัจจุบันปัจจุบันจอ่อจอจอ่อจอให้มันกระชั้นเท่าไหร่อันนั้นมันนั่นหมายถึงว่าคิดแบบคนที่ไม่ไม่แยบขายไม่รอบครอบอะไรแต่บนพื้นฐานของการทำปริญญาแบบวิสุทธิมรตเนี่ยเป็นการวิจัยรวบรวมแยกกําหนดโดยหลักการเนี่ยนะโดยหลักวิชาเนี่ยตั้งแต่ระดับยาตาปริญญาตรรณะปริญญาอ่ก่อนหน้านี้มานนะหรือวิปัสนาญาณก่อนหน้านี้มาเนี่ยพิจารณาอย่างละเอียดทีท้วนหมดแล้ว จนอาวัชนะตรงไหนเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเพราะอาวัชนะเนี่ยปัญญาที่ใส่ใจไปในเรื่องอะไรเนี่ยมันแม่นยำเหมือนอาวุธของพระอินนะ่ะเหมือนอะไรวัชิราวุธเนี่ยนะอาวุธประดุดเพชรเนี่ยนะเหมือนกับฟ้าผ่านะเปริยังลงไปตรงไหนก็ก็กระจายในส่วนนั้นๆได้อย่างละเอียดละออมไม่ใช่ลักษณะวิ่งให้มันทันปัจจุบันไม่ใช่ลักษณะวิ่งให้ทันอารมณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะนามธรรมา ท, ทั้งหลายเนี่ยนะไม่มีใครวิ่งทันอารมณ์ปัจจุบันได้แม้แต่ญาณที่รู้จุตูปปาตาญาณยังไม่ใช่ปัจจุบันนักหเลยระดับอภิญยาด้วยนะอย่าว่าระดับธรรมดาอภิญญาเนี่ยยังไม่ทันปัจจุบันอุปาทิฏฐิพังคะจุติปฏิสนธิเนี่ยไม่ได้เห็นอย่างนั้นหรอก น, นะเพราะว่ามันไม่มีจิตดวงใด น, นะโดยเฉพาะวิปัสสนาทั้งหลายเนี่ย เวลาวิปัสนาหนึ่งอย่างเกิดขึ้นไม่ใช่เกิดแค่วิถีเดียวเนี่ยนะแต่ตัววิปัสนาอ น, นั้นเนี่ยเกิดซ้ําๆไม่รู้กี่สิบวิถีแล้วตัวอารมณ์ที่เป็นนามธรรมล่ะตัวนามธรรมมันมีสมะถ้าพูดแบบขณะจิตมันก็ขณะจิตเดียวใช่ไหมถ้าเอาเอาโดยขณะมาแต่ว่าไอการพิจารณาเนี่ยเขาพิจารณาแบบเครียกว่ากว้างที่สุดแล้วค่อยๆย่อๆย่อๆย่อลงมาแล้วก็ย่อขยายขยายย่อย่อขยา ย, อ ย, ย, า ย, อ, ยอยู่นั่นแหละ จนอะไรเนี่ยจนเพียงพอที่จะเบื่อน่ายเนี่ยนะวิจัยจนจนเพียงพอที่จะเบื่อหน่า ย, นะ ย, ย อ, อายั้นวัตถุประสงค์ของการทําปริญญาการพิจารณาอย่างนี้นี่พิจารณามุ่งเพื่อเบื่อน่ายมากกว่าที่จะวิ่งให้ทันอารมณ์เนี่ยนะวัตถุประสงค์คนละอย่างกันคือในข้อความในเนี้ยชวนให้เข้าใจจะเป็นอย่างนั้นนะครับ แล้วแลดูอยู่แต่ความแตกทําลายแห่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงทีเดียวเหมือนดูความแตกทําลายแห่งภาชนะเปราะๆที่กําลังทุบอยู่อย่างเงี้ยมันทําให้ชวนให้สงสัยว่ามันมั น, ม, นมันเป็นอย่างนั้นนะครับคือเนื้อหาเนี่ยเชื่อมมาจากนอนท์อยู่แล้ว<ม>เชื่อมมาจากอุทยพยัญญาเนี่ยนะอุทยะเนี่ยอุทยพยะเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรอ่าเหตุเกิดเนี่ยนะเกิดทั้งเกิดโดยปัจจัยและเกิดโดยขณนะ ทีนี้ตอนต้นก็เลิกใส่ใจการเกิดโดยปัจจัยเลิกใส่ใจโดยการดับโดยปัจจัยก็มาเหลือแต่ขณะที่เกิดกับขณะที่ที่ดับทีนี้ไอ้คาว่าเกิดดับตรงนั้นเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเป็นรูปประคันนะต้องอย่าลืมเรื่องสมุทฐานสี่เนี่ยนะแต่ละสมุทฐานนี่แม่นยํามากซึ่งไอ้ไ อ, อ, อ้การพิจารณาตรงเนี่ยเน้นความแม่นยําของปัญญามากกว่าที่จะ ตามให้ทันสีที่เป็นอารมณ์ปัจจุบันเสียงที่เป็นอารมณ์ปัจจุบันผัสสะที่ปัจจุบันแล้วก็เหมือนกับวิ่งตามเงามันไม่ใช่ในลักษณะนั้นนี่แต่ก็ความเข้าใจเหล่านี้เนี่ยนะจะสมบูรณ์จริงๆต่อเมื่อเรามีความเข้าใจเหมือนท่านนันแหละหรือเจริญได้แล้วก็เข้าใจได้เหมือนในคำภีที่ท่านแสดงเพราะวิชานี้ก็เป็นวิชาที่ผ่านการพิสูจน์ผ่านการเจริญมาบรรลุหาประมาณนี้ได้ ขออนุญาตสนทนากับผู้การหน่อยนะคะคือผู้การะคขาจะก่อนนี้หนูก็สงสัยติดอยู่ตรงนี้อยู่นานตรงพยัญชนะที่ว่าเหมือนกับเห็นเมล็ดงาที่ท่านคั่วในกระทะแล้วแตกเปาะแปะเปาะแปะนี่มีความรู้สึกว่ามันต้องเห็นแบบว่าเห็นรูปที่เกิดดับในขณะนั้นเป็นแบบว่ารู้ทันมันเลยวิ บ, บ, บวับวิบวับแตกกระจัดกระจายอยู่ในกระทะเลยอย่างงั้นติดอยู่ตรงพัณยัญชนะนี้นานเลยแต่พอตอนหลังก็เลยมาคิดว่าเอ๊ะทาไมพ อ, อ อุทยพย า, ยานท่านพิจารณาเกิดและดับแล้วแล้วทำไมมาต่อพังคา ว, วิปั ส, สนาท่านให้พิจารณาความดับแล้วถ้าแบบนี้แล้วทำไมไม่มีท่านให้พิจารณาความเกิดอีกทำไมท่านถึงมาเน้นที่ความดับแล้วพอดีวันก่อนนี้ก็นั่งคุยกับคุณมุยรังคืนก่อนบอกว่าเนี่ยอย่าต้องไปเยี่ยมแม่ตุ้มแม่ตุ้มก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็พูดว่าเออพี่นิตยาเาจะผ่าตัดนะ แล้วบอว่าพี่อุไรก็ปุ๊บปั๊บก็ปวดหัวแล้วคุณป้าจรัญใก็สุขภาพไม่ดีนะคุณป้ามาลสีก็สุขภาพไม่ดีพูดถึงคนนู้นคนนี้แล้วรู้สึกว่าคือเราพิจรารณาแต่ตรงเสื่อมอย่างเดียวอ่ะมันก็เลยทําให้เกิดว่าความเข้าใจตรงนั้นว่ามันเหมือนภาชนะที่กําลังถูกทุบไปทีละใบทีละใบทีละใบซึ่งตรงจุดนี้ทําให้เห็นว่าเออตรงที่ว่าเห็นความดับวใยตรงนี้ มันคือว่าปัญญามันเล่นไปไวตรงพอเห็นอารมณ์ปุ๊บมันก็นึกไปถึงความดับเลยแต่ไม่ใช่ว่าเห็นงาเม็ดนั้นเม็ดนี้เม็ดนั้นเม็ดนี้แตกอยู่ในกระทะที่แบบว่าจะเห็นรูปเป็นขณะขณะไปเลยไม่ทราบว่าที่หนูเข้าใจอย่างนี้จะถูกหรือเปล่านะคะอ๋อต้องเข้าใจอย่าอยู่อย่างนั้นแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราสงสัยในพยัญชนะอนี่นะเราติดตรงพยัญชนะเพรา่ายังไงยังไงมันอยู่ที่เรื่องมนุิการมันจะไปเห็นอะไรอย่างไง้นได้ใช่ไหมเมื่อพยัญชนะมันไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่ว่าเราเนี่ยอ่าน ครียก อ, อะไรนะอ่านแล้วเราโยงอดีตไม่ได้เชื่อมอนาคตต่อไปไม่ได้แล้วเราก็เห็นแค่อะไรนะเห็นแค่พยัญชนะตรงนั้นโดยที่ที่เรียกอะไรพูดแบบภาษาชาวบ้านก็อ่านหนังสือไม่จบเนี่ยนะมันก็เป็นลักษณะนั้นแ ล, แล้วมีพยัญชนะคําว่าเห็นโดยปลายจักนี้ด้วยคําว่าปลาจักนี้ยิ่งทําให้น้อมไปที่จะคิดว่ามันต้องเห็นรูปอย่างนั้นจริงๆก็กเราเราจะเอาแต่จากครูวิญ ญ, ญาณ น, นี่เป็นเครื่องวัดทุกเรื่องอนะที่เราเจริญเนี่ยเจริญไม่ใช่เจริญสัญ ญ, ญาณ ไม่ได้เจริญวิญญาณแต่เจริญปัญญาณคือญาณะเนี่ยนะปัญญาณนะเนี่ยเจริญปัญญาทีนี้ปัญญาเนี่ยปัญญาอาโลกะปัญญาโอภาโสปัญญาเนี่ยแม้กระทั่งว่าอดีตก็เหมือนกับอะไรนะอดีตอนาคตก็เหมือนกับเห็นเนี่ยเหมือนมะขามป้อมอยู่บนฝ่ามือคือในโลกของการเปรียบเทียบเนี่ยใช้ใช้ตาเนี่ยมันเห็นง่ายเพราะฉะนั้นหลายๆคำเนี่ยท่านจึงอุ ป, ปมาเปรียบเหมือนอศาศัยตาเนี่ยนะเป็นหลัก นี่อย่างเห็นนิโรศจักระเนี่ยใช้าตาเนื้อมองเห็นได้ไหมล่ะเห็นน <hopeless> <eless> ิพานด้วยเหมือนเห็นด้วยตาเนื้อไหมมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วนะแต่ว่าไม่ไม่แปลกใจเพราะว่าพื้นฐานการทําปริญญาของเราเนี่ยมันมากขนาดไหนด้วยทั้งหากเนี่ยนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราคงใช้พยัญชนะอย่างเดียวให้เข้าใจไม่ได้อยู่แล้วเพราะไม่ใช่วิสัยของตักะอยู่แล้วเนี่ยนะถ้าระดับนี้แล้วไม่ใช่วิสัยของตกกะอยู่แล้วแล้วก็ผู้ที่เจริญได้ระดับนี้เนี่ยก็เป็นคนที่ วิสุทธิเนี่ยนะมีมากี่ตัวแล้วอยู่ในตัวมีวิสุทธิห้าอย่างอยู่ในตัวแล้วนะตั้งแต่อะไรศีแลวว้วิสุทธิจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมคามคายาณทัศนวิสุทธิเนี่ยนะผ่านบุรความบริสุทธิ์มาตั้งหลายอย่างเนี่ยนะถือว่าเป็นผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมากเนี่ยนะผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมากมีปัญญาที่ลึกซึ้งแล้วก็ข่มกล้าอย่างมาก คือแม้แต่ขณะที่กําลังเรียนเรื่องยานทุงสูงอยู่ขณะนี้ก็ยังเป็นยาตาปริญญาอยู่อ่านะตรงนี้ไม่ไม่ไม่เรียกอะไรนะเขาเรียกว่าสูตามยะยานก็ยังเป็นยาตาปริญญาในเขาเป็นสุตมยะยานอยู่นะฮะเพราะว่าการเรียนรู้ทั้งหลายเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นถึงขั้นอสังคตตาธรรมก็ดีเนะี่ยก็ยังเป็นญาตาปริญญาอยู่แต่ก็ควรจะเป็นยาตาปริญญาที่ที่เข้าใจอย่างไม่ไม่ผิดอะไรงั้นเถอะ คืถ้าถ้าถ้าพูดตามนี้จริงๆอนะไม่ไม่ใช่ยาตะปริญญาแต่เป็นสุตญญสตะมยะปัญญาเนี่ยทีนี้สุตตะมยะปัญญาเนี่ยของบางคนเนี่ยพอฟังปับ๊บทำยาตะปริญญาควบคู่ไปด้วยบางคนนี้มีสุตตมยะปัญญาแล้วควบคู่กับปะตีรณะปิญญาไปด้วยบางคนนี่สุตตะควบคู่กับปหานะปริญญาไปด้วยบางคนนี่พอสุตตะจบก็บรรลุเลยทันทีก็มีเพราะฉะนั้นสุดอันนี้การเรียนการศึกษาอย่างเงี้ยชือว่าเป็นระดับ เรียว่าเป็นสุตตมยปัญญาเป็นการเข้าใกล้ชิดพระศาสนาส่วนผู้ใดจะทําปริญญาได้มากได้น้อยก็ตามสมควรแต่แต่โดยหลักวิชาที่เรากําลังเรียนอยู่นี่คือเรียนปหานะประิญญาเนี่ยนะแต่ถ้าโดยยานะก็คืออะไรนะพังคานุปัสนาญาณแต่ถ้าเป็นรูปแบบปฏิสัมพิธามัชที่เรากําลังเรียนนี่คือสุตตรมยญาณเนี่ยนะ ก, ก็คือสุตตรเนี่ยเพราะว่าการฟังนี่จะต้องฟังจน จนครบท้วนแล้วก็ฟังจนหมดฟังทุกเรื่องอ่ะนะเพราะว่าสุตตามัยยานาอย่างที่เรียนในปฏิสัมพิธา ม, มีอยู่สิบหกอย่างใช่ไหมสุตตามยายานสิบหกมีอะไรบ้างอ่านะการฟังว่าทำเหล่านี้ควรควรรู้ยิ่งควรกาหนดรู้ควรละควรทำให้แจ้งควรเจริญไม่เที่ยงอย่างนี้เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นอนัตตาอย่างนี้ ฐานะพาคยะทิติภาคยะวิเศษสภาคยะนิเพทภาคยะนี้ทุกสมุทยัยนิโรธมักเนี่ยนะซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็ยังอยู่ในบนการอยู่บนพื้นฐานของสุตตะมยะปัญญามั้นผู้ที่มีสุตตะฟังแล้วเจริญได้เท่าไหร่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวเนี่ยนะเพราะบางคนเนี่ยแค่ผ่านหูบางคนนี่ก็เห็นตามอย่างนั้นจริงๆบางคนก็พัฒนาการเจริญจนถึงสา ม, มารถ บรรลุมรรคผลได้เพราะในสูตรเดียวกันเนี่ยผู้ที่ฟังจะไม่ไม่เท่ากันนะในความสามารถจะไม่เท่ากันอย่างที่เรียกว่าถ้ายิ่งสมัยพุทธกาลนี่เห็นชัดว่าบางคนเนี่ยฟังจบก็เออเออก็ดีบางคนก็ถึงสารณาคมบางคนเพิ่มกว่านั้นก็บวชเลยนะบางคนเพิ่มกว่านั้นก็บรรลุตรงนั้นเลยก็มีบางคนก็บรรลุโสโดา บ, บางคนก็บรรลุสกะทาคามีแต่รวมแล้วคาสอนนี่เป็น นิยานินกรรมผู้ที่จะรับได้เท่าไหร่ น, นี้เป็นเรื่องเฉพาะเฉพาะตัว น, นะนะเพิ่มมาที่ในหน้าสองร้อยสิบอีกครั้งหนึ่งต่อไปว่าสรุปสรุ ป, รปพังคานุปสนาว่าเมื่อพระโยคาวจร น, นั้นเห็นอยู่เนืองเนืองอย่างนี้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยย่อมแตกไปย่อมทำลายไปดังนี้ พังคานุปาานัสสนาญาณอันมีอ น, นิสงส์แปดอย่างเป็นบริวารย่อมเป็นธรรมชาติมีกําลังถ้าใครได้อ น, นิสงได้พังคานุปาานัสสนาญาณจริงนะต้องมีอ น, นิสงส์แปดตัวแปดอย่างนี่อยู่ในตัวอะไรบ้างละ่ะคือหนึ่งละภวะทิฐิได้ละภวะทิฐิแปลว่าละ ส, สัตตทิฐินั่นเองละทิฐิที่ว่ามันยั่งยืนมันมั่นคงเนี่ยนะสละความยินดีในชีวิตเสียได้นนะไม่มีอะไรในชีวิตดิณสีเลย ประกอบความขวนขวายในการทุกเมื่ออันนี้แปลว่าเพียรมากๆเลยไม่มีเวลาใดที่ไม่เพียรเป็นคนที่มากไปด้วยความเพียรถ้าใครที่รู้ความไม่เที่ยงของสังขารเท่าไหร่นะเขาจะใช่ไหมเขาถ้าเห็นถ้าเห็นว่าสังขารไม่เที่ยงเท่าไหร่นะเขาจะรีบภาวนามากเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าผู้ใดกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้เท่าใดก็จะเจริญในสิ่งที่ควร ควรจเจริญเท่านั้นถ้าเห็นความไม่เที่ยงมากเท่าใดเห็นอ่ะโดยอนุปัสนาเจตมากเท่าใดสัมมาวายามะจะมีกําลังมากเท่านั้นเพราะว่าเชื่ออะไรกับสังขารไม่ได้เลยว่ามันจะอายุยืนอีกเท่านั้นวันเท่านี้วันเป็นต้นเนี่ยนะไม่เชื่อแม้แต่เรื่องเดียวเลยเพราะฉะนั้นอ่ะควรขวนขวายที่จะให้เกิดอรอยิยมรรคมา ก, มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ข้อสี่บอกว่าความเป็นผู้มีความเป็นอยู่ที่หมดจดหมายว่า ใช้ชีวิตที่หมดจดบริสุทธิ์ไม่เปื้อนด้วยบาปเนี่ยนะเป็นชีวิตที่ไม่เปื้อนด้วยบาปหมดจดไม่เปื้อนด้วยบาปห้าละความขวนขวายหมายคืาว่าเลิกสนใจในเรื่องอื่นทั้งหมดเลิกการขวนขวายในการสร้างวัตตะทั้งหมดนะสนใจอย่างเดียวคือเรื่องการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกเนี่ยนะหกเป็นผู้ปราศจากความกลัวไม่มีอะไรไม่มีไม่มีโทสะเลย หมายความว่ามนาสิการอารมณ์อะไรก็ไม่กลัวด้วยโทสะเนี่ยนะเจ็ดได้ขันติและโสรจะขันติคือความอดทนโสรจะความสงบเสงี่ยมเนี่ยนะก็เป็นคนที่มีความอดทนสูงเป็นเยี่ยมแล้วก็มีความสงบแปดเป็นผู้มีความกดกลั้นซึ่งความไม่ยินดีและความยินดีเสียได้หมายความว่าท่านมีขันติในเรื่องความไม่ยินดีไม่ยินดีในอะไร ไม่อคําบางคนเนี่ยไม่ยินดีในเสนาสนะอันสงัดไม่ยินดีในการเจริญกุศลตรงเนี้ท่านละได้เครียกว่าเลิกเบื่อหน่ายในที่สงัดเลิกเบื่อการเจริญกุศลและก็ละความยินดีเสียได้ละยินดีอะไรละยินดีในกิเลสกรรมวัตถุกรรมเสียได้ละฉันทราคะในวัตถุกรรมได้เพราะฉะนั้นพระบราณอาจารย์ท่านจึงกล่าวไว้ว่า พระมุนีผู้เปรียบได้ด้วยบุคคลผู้มีผ้า น, นุ่งห่มและศีรษะถูกไฟไหม้แล้วเห็นคุณอันสูงสุดแดอย่างเหล่านี้แล้วพิจารณาในพังคานุปัสสนาญาณ น, นั้นอยู่บ่อยๆย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นแต่ความแตกดับเพื่อบรรุอมะตะนิพันธ์บ ร, รุอมะตะธรรมคือนิพานได้นี่นะท่านก็คนที่มีปัญญาระดับนี้แล้วเนี่ยนะมองชีวิตทุกขณะ อนะมองเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุพระนิพพานเนี่ยต้องรีบยิ่งกว่าดับไฟบนศีรษะแบบสูตรนั้นนะดูกับพิสูจนทั้งหลายถ้าไฟไม่ผ่าหรือไฟไม่บนศีรษะของเธอเนี่ยเธอจะทํำยังไงพิสูจนก็บอกว่าโอ้จะต้องตั้งสติเอาไว้ให้มั่นรีบขวนขวายเพื่อจะดับไฟบนศีรษะพระเจ้าค่ะบอกพระ อ, องค์บอกว่าเรื่องนั้นยังช้าได้เนี่ยนะไม่ต้องรีบหรอกแต่สิ่งที่ควรรีบคือรีบพิจารณาให้เห็นวันนี้ทุก นี้ทุกขสมุทัยเป็นต้นเนี่ยนะที่ต้องเพียรให้รีบเร่งมากที่สุดทําไมจะต้องรีบก็เห็นแต่ความไม่จ of of ีรังยั่งยืนความไม่แน่นอนของสังขารจะไม่รีบได้อย่างไรก็เหมือนอย่างว่าถ้าคนที่รู้ความไม่เที่ยงของตานีความไม่แน่นอนของตาเขาจะรีบอ่านพระไตรปิฎกเอาไว้ใครที่เห็นความไม่แน่นอนของหูเขาจะรีบฟังธรรมเอาไว้ถ้าใครที่เห็นความไม่แน่นอนของร่างกายและชีวิตเขาจะรีบขวนขวายประพฤติธรรม พาออะไรเพาอสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไอท้ทีนี้ไม่เที่ยงปั๊บเนี่ยกรรมที่ทำไว้ไปเก็บไว้ไหนนะกรรมมกตาเขาจึงแม่นยำมากนั่นเ